มนุษย์มีชีวิตมานานถึงสองล้านปีหรือนานกว่านั้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกโศกได้เขาฝังจมอยู่ในความทุกโศกมีความทุกโศกเป็นเงาตามตัวเป็นเพื่อนมาตลอดกาลมีความทุกโศกจากการสูญเสียใครบางคนความทุกโศกที่ไม่สามารถเติมเต็มความทยานอยาก ความละโมบและพลังผักดันของเขาความทุกโศกจากความเจ็บป่วยทางกายความทุกโศกจากความกังวลใจทุกโศกจากความรู้สึกผิดบาปทุกโศกจากความหวังและความสิ้นหวังนี่คือสภาพการของมนุษย์ทุกคนและเขาเพียงพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ เพื่อทําให้ความทุกโศกภายในขอบเขตของจิตสํานึกจบสิ้นลงโดยพยายามหลบหนีจากความทุกโศกวิ่งหนีมันกดข่มมันไว้หรือโดยการจําแนกตนเข้าไปยึดติดในสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองหลบหนีโดยการดื่มโดยสตรีเพศทําทุกอย่างเพื่อหลบหนีจากความหวาดพิตกความปวดร้าวความท้อแท้สิ้นหวัง ความอ้างว้างเดี่ยวดายอันใหญ่หลวงและความเบื่อหน่ายต่อชีวิตทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในขอบเขตของจิตสํานึกและเป็นผลของการเวลามนุษย์ใช้ความคิดเพื่อเป็นหนทางกาจัดความทุกโศกโดยอาศัยหลักความเพียรชอบความคิดชอบโดยอยู่ยังมีศีลมีธรรมและอื่นๆการใช้ความคิด ใช้ความสามารถในการคิดของสมองและอื่นๆเป็นเกมกลของมนุษย์มานานแล้วแต่ความคิดเป็นผลของการเวลาการเวลาคือจิตสำนึกอะไรก็ตามที่คุณกระทำอยู่ในพื้นที่ของจิตสำนึกนี้ความทุกโศไม่สามารถจบสิ้นลงได้ไม่ว่าคุณจะเข้าวัดหรือดื่มของมึนเมาก็เหมือนกันดังนั้นหากมีการเรียนรู้ คุณจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนจะเกิดขึ้นโดยหนทางของความคิดจะมีแต่ความทุกโศกเท่านั้นที่สืบต่ออยู่หากว่าคุณเห็นเช่นนี้คุณจึงสามารถเคลื่อนไปสู่มิติที่แตกต่างออกไปผมใช้คำว่าเห็นไม่ใช่ในความหมายของปัญญาทางความคิดไม่ใช่เห็นในระดับถ้อยคา แต่เป็นความเข้าใจความเป็นจริงทั้งหมดอย่างกระจ่างแจ้งความเป็นจริงที่ว่าความทุกโศกไม่อาจจบสิ้นลงโดยวิธีของความคิดซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกดข่มความคิดไว้การปฏิเสธความคิดเช่นนั้นเป็นการใช้ความคิดปฏิเสธความคิดเท่านั้นแต่ความคิดก็ยังคงอยู่การอย่างรู้ความจริง เป็นเรื่องหนึ่งที่ยากที่สุดเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นความเป็นจริงของไมโครโฟนตัวนี้มันอยู่ตรงนี้คุณและผมให้ชื่อเฉพาะแก่วัตถุนี้แล้วเราต่างก็บอกว่าเรามองเห็นไมโครโฟนตัวนี้ไม่ว่ามันจะเป็นไมโครโฟนที่สภาพดีหรือชำรุดเพราะว่าการมองดูต้นไม้จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย เพราะเมื่อคุณมองดูต้นไม้นั้นความคิดเป็นผู้มองไม่ใช่ดวงตาของคุณลองสังเกตดูแล้วคุณจะเห็นด้วยตนเองลองมองดอกไม้ใครกำลังมองดวงตาของคุณหรือการมองด้วยตาหมายถึงไม่มีความคิดไม่มีความคิดเห็นไม่ตัดสินไม่เรียกชื่อ แค่มองเท่านั้นเมื่อคุณพูดว่าคุณกำลังมองดูดอกไม้จิตของคุณกำลังมองนั่นคือความคิดกำลังมองความคิดกำลังทำงานดังนั้นคุณจึงไม่เคยเห็นดอกไม้เลยดอกไม้เป็นวัตถุสิ่งของแต่ถ้าคุณมองความเป็นจริงภายในตนเองมองเห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับอะไรบางอย่างมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะอาคติความทรงจำประสบการณ์ความสุขเพลิดเพลินและความเจ็บปวดทั้งปวงของคุณสิ่งเหล่านี้แทรกแซงการสังเกตของคุณดังนั้นความทุกโศกไม่อาจสิ้นสุดลงได้โดยความคิดไม่ว่าเมื่อใดก็ตามความคิดคือความคิดและความรู้สึกทั้งปวงซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจิตสานึกฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามความทุกโศกไม่มีวันจบสิ้นลงนี่คือความจริงเพราะมนุษย์ไม่เคยเป็นอิสระจากความทุกโศกเลยดังนั้นการเวลาและความคิดจึงไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพว่าการเปลี่ยนแปลงในความหมายอันลึกล้ําเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดเพราะเราไม่สามารถดําเนินต่อไปเช่นนี้ โดยมีเครื่องแบ่งแยกมีความคับแคบความเป็นชาตินิยมความโง่เขลาทั้งปวงที่เราได้สั่งสมมานานนับศตวรรษอีกทั้งพระเจ้าความเชื่อพิธีกรรมของเราและสิ่งเหลวไหลอีกมากมายเพราะเราไม่รู้ว่าความรักหมายถึงอะไรเราจะรักได้อย่างไรในเมื่อจิตและใจเรามีแต่ความทุกโศก เราจะรักได้อย่างไรในเมื่อมีการแข่งแย่งชิงดีมีโลภมีริษยาเรามีชีวิตอยู่กับความรุนแรงและเราจะมีชีวิตที่รุนแรงต่อไปนอกจากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนโดยไร้าการเวลาหากคุณเห็นความจริงว่าการเวลาไม่นามาซึ่งการปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคนทั้งภายนอกและภายใน แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นการปฏิวัติอย่างสิ้นเชิงในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งได้ก่อให้เกิดสังคมอันน่าสยดสยองนี้ขึ้นความรุนแรงมีอยู่ในหัวใจและในความสัมพันธ์ของเราเราแต่ละคนต่างพวงอยู่แต่เรื่องของตนเองและไม่คำนึงถึงผู้อื่น การกระทำของเราจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะทำะไรมีแต่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนสับสนความทุกข์ระทมและความขัดแย้งนี่คือความจริงไม่ว่าการกระทำนั้นจะมาจากจิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกล้วนก่อความขัดแย้งขึ้นในทุกส่วนของชีวิตไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม เพราะว่าจิตได้สํานึกมีพลังแรงกว่าเหตุผลของจิตสํานึกแรงกว่าความตั้งใจของจิตสํานึกโปรดมองดูภายในตัวคุณให้ลุ่มลึกไม่ใช่มองตามที่ฟรอยหรือใครก็ตามว่าไว้แต่มองดูจริงๆและในการมองดูตนเองคุณต้องเป็นอิสระจากการมองถ้าคุณบอกว่านี่ถูกหรือนั่นผิด นี่ดีหรือนั่นเลวฉันต้องทําสิ่งนี้หรือต้องไม่ทําสิ่งนั้นหากเป็นเช่นนั้นคุณก็ไม่มีอิสระภาพที่จะมองที่จะสังเกตหรือท่องไปในดินแดนแห่งจิตสํานึกที่พิเศษสุดนี้จิตได้สําสนึกนั้นเข้มแข็งอย่างยิ่งเป็นหลังเก็บรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์และมีพลังชักนําแรงกว่าจิตสํานึก มันมีแรงมุ่งมา่ปรารถนามีแรงขับและสิ่งผสมทั้งหลายของมันเองจิตได้สําสนึกสื่อความในผ่านความฝันและช่องทางอื่นๆถ้าหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงรากเงาในเบื้องลึกแล้วความขัดแย้งของมวลมนุษย์จะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดกาลแม้เราจะยืดชีวิตทางกายให้อยู่ได้ยืนยาวไม่จบสิน้น แม้เราจะมีเวลาว่างเพราะมีอุปกรณ์อัตโนมัติและสมองอิเล็กทรอนิกช่วยผ่อนเบาถึงกระนั้นความขัดแย้งและความทุกโศกก็ยังคงอยู่ตลอดการแล้วเราจะทำอย่างไรดีคุณเข้าใจคำถามของผมไหมมนุษย์จะต้องมีชีวิตอยู่ในความขัดแย้งและทุกโศกตลอดการอย่างนั้นหรือโดยไม่เคยรู้เลยว่า การเป็นอิสระอย่างแท้จริงคืออะไรด้วยเหตุนี้จึงไม่เคยรู้ว่าความรักคืออะไรเมื่อคุณตระหนักว่าการเวลาและความคิดไม่ใช่หนทางที่จะจบสิ้นความทุกโศกจากนั้นอะไรเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าโดยการตระหนักรู้หมายถึงอะไรหากคุณตระหนักว่าถนนสายนั้นไม่นําไปสู่บ้านคุณ คุณจะหันหลังกลับและไปเส้นทางอื่นคุณจะไม่มุ่งไปตามทางนั้นอีกหากคุณยังยืนกรานที่จะไปตามเส้นทางนั้นซึ่งไม่นำไปสู่บ้านคุณจิตคุณคงไม่สมดุลไม่ปกตินักคุณหูหนวกตาบอดที่ยังดึงดันจะไปตามเส้นทางนั้นนั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่จริงๆเราต่างยืนกรานว่าความคิดการเวลา และวิวัฒนาการจะพาเราพ้นไปจากความยุ่งเหยิงโกลาหลและความทุกข์กระทมเมื่อรู้ว่าการกระทำมีแต่จะก่อให้เกิดความทุกโศกดังที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอีกทั้งรู้ว่าการไม่กระทำอะไรเลยก็ก่อให้เกิดความแหนาเกลียดและอื่นๆด้วยเช่นกันแล้วมนุษย์จะทำอย่างไรหรือมีอะไรบ้างไหมที่ต้องทาคุณเข้าใจคาถามของผมไหมเราเคยเข้าวัด หรือเคยทำสมาธิเราได้ค้นพบวิถีทางใหม่เพื่อยืดชีวิตให้ยืนยาวและอื่นๆเราเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้ใช้ปัญญาของเราทุกวิถีทางได้อุทิศตนเพื่ออุดมการและเพื่อหลักการทางาศาสนาหรือเพื่อการกระทำอย่างอื่นๆมาแล้วแต่อิสรภาพไม่เคยเกิดขึ้นความทุกโศกไม่เคยจบสิน้น มีแต่ความขัดแย้งมีแต่การพยายามอยู่เสมอเมื่อเห็นทั้งหมดนั้นแล้วบุคคลผู้ปกติมีเหตุมีผลจะบอกว่านั่นไม่ใช่หนทางฉันจะไม่ไปตามทางนั้นอีกเมื่อคุณเห็นกระจ่างชัดเท่านั้นว่าหนทางนั้นไม่นำพาไปยังบ้านของตนคุณก็ไม่ไปตามหนทางนั้นอีกการเห็นเช่นนั้น คือการเรียนรู้ถึงความคิดและความรู้สึกโดยทั่นทั่วซึ่งก็คือการเรียนรู้ถึงจิตสำนึกอย่างแจ่มแจ้งทองแท้ว่าโดยความคิดซึ่งสร้างกิจต่างๆขึ้นและโดยอาศัยกิจเหล่านั้นอาศัยความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นความขัดแย้งจะไม่จบสิน้นความทุกโศจึงไม่สิ้นสุดลงเช่นกันการที่จะประจักษ์ถึงความจริง น, นี้ ดังเห็นความจริงของไมโครโฟนตัวนี้หรือความจริงของต้นไม้ตรงโน้นจำต้องมีความใส่ใจรับรู้เมื่อคุณใส่ใจรับรู้ทั่วทั้งจิตสำนึกของคุณจะเงียบสงัดลงไม่มีความคิดเข้ามาสอดแทรกนี่คือวิธีทางที่จะค้นหาและเรียนรู้มีหรือมิติอื่นที่อยู่เหนือพ้นจากจิตสำนึกนี้อย่าด่วนสรุปว่านั่นคือพระเจ้า นั่นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระจิตที่ตั้งใจคิดเกี่ยวกับพระเจ้ายังคงอยู่ภายในจิตสำนึกที่จำกัดคับแคบคุณเข้าใจไหมหากคุณคิดเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าของคุณนั้นสร้างขึ้นโดยการนึกคิดของคุณการนึกคิดของคุณคือผลของการเวลาพระเจ้าจึงเป็นผลของการเวลาซึ่งมันไม่มีความหมายแต่เราเชื่อ เราต้องการเป็นคนมีเหตุมีผลต้องการค้นหาความจริงเราต้องการสิ่งเหล่านี้โดยผ่านกระบวนการคิดเราสามารถตั้งคำถามว่ามีหรือมิติที่แตกต่างออกไปซึ่งมันจะไม่ใช่คำถามที่เป็นทฤษฎีแต่เป็นคำถามที่ใช้การได้เป็นคำถามที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของการเวลาเท่านั้นคุณเข้าใจไหม